วิส่เสียอารมณ์ลบอากุศลจิตที่เกิดขึ้นในจิตเราติดมาจากละครคนเด่นเขาเป็นอย่างไรเราก็อยากเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวธรรมชาติของเรื่องกรุงแต่งการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนวนิยายลิเกละครภาพยนตร์คือกระตุ้นอารมณ์ให้ขึ้นแรงลงแรงเพราะมนุษย์ทั่วไปไม่ชอบอารมณ์เอื่อยเฉยหรือราบเรียบ และธรรมดาเพื่อจะได้รู้สึกถึงอารมณ์สุขจําเป็นต้องปูพื้นด้วยการกระตุ้นให้เป็นทุกข์เพื่อจะได้รู้สึกถึงอารมณ์รักจําเป็นต้องปูพื้นด้วยการกระตุ้นให้เกลียดชังหรือมันไส้หรืษยาอาฆาตยิ่งสวิงมาจากอารมณ์ขั้วตรงข้ามได้แรงเท่าไหร่ก็ยิ่งไปถึงอารมณ์ที่ชอบใจได้แรงขึ้นเท่านั้นละครจึงเหมือนให้รางวัลคนติดตามเป็นความรู้สึกว่ามีรักได้หลายครั้งแต่ขณะเดียวกัน ก็อาจลงโทษด้วยความรู้สึกว่าเกลียดคนแปลกหน้าได้หลายคนคนยุคเราจะทนไม่ได้กับการอยู่เฉยเฉยเงียบเงียบและการดูละครทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของการใจจดใจจอ่อรอดูเนื้อหาตอนต่อไปว่าจะยังไงอีกแต่เป็นการหวนกลับมาเสพอารมณ์หน้าติดใจพูดง่ายๆคือคนยุคเราดูละครเพราะเสพติดหน้าตากับอารมณ์ของคนเด่นกัน เขาเป็นอย่างไรเราก็อยากเป็นอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวอาจฟังดูเหลือเชื่อแต่นี่เป็นความจริงทิศทางของจิตวิญญาณคนนับพันล้านถูกกำหนดด้วยจิตวิญญาณดาวรานักร้องไม่กี่คนสับแปลกใหม่ๆการพูดจา ก, การทำหน้าทำตาใส่กันที่เกิดขึ้นจากคนจริงเสียงจริงรอบตัวหลายครั้งถอดแบบมาจากละครสมัยก่อนไม่มีให้เห็น เดี๋ยวนี้มีให้เห็นในข่าวค่อนข้างมากถ้ารู้สึกเหมือนมีตัวละครอยู่ในหัวคอยเวียงคอยวีนและบางทีก็ไม่รู้ตัวว่าคุณเวียงหรือวีนออกไปจริงๆมีทางหนึ่งที่ช่วยได้คืองดเสพละครชั่วคราวถ้าเสพติดอารมณ์ดราม่าแบบขาดไม่ได้ก็ให้หันไปเสพภาพยนตร์ซึ่งจบอารมณ์ในเวลาไม่นานนัก ไม่มีความจดจอ่อต่อเนื่องตอกย้ำซ้ำอารมณ์เดิมๆทุกวันและถ้ารู้สึกเหมือนปล่อดโปร่งขึ้นอยากกลับมาเสพอารมณ์ละครใหม่ก็อาจมีสติอันเกิดจากความเข้าใจดีกว่าเดิมรู้ว่าเมื่อไรควรถอยเมื่อไรควรเข้าไปใหม่ไม่ใช่เสพอารมณ์ซ้ำๆแบบไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองบ้างแล้ว